ผลทางดําเนินเพื่อความดับทุกข์คือการเอาสติเข้ามาตั้งรู้ตั้งดูอยู่ในขอบเขตกายใจนี้เองสติปัฐานสหรือการตั้งสติไว้ที่ฐานอย่างถูกต้องจึงเป็นทางดําเนินอันไม่ล้าสมัยจะผ่านมากี่พันปีหรือจะผ่านไปอีกกี่พันปีขอเพียงเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาศรัทธาสติปัฐานสี่และมีใจอุทิศ ต, ตัว